รอนกระพริบตาถีจ้องมองดูดอกสีขาวเล็กๆกลีบชั้นเดียวค่อนข้างแข็งปลายกลีบเรียวแหลมเหล่านั้นแล้วยกขึ้นดมอีกเอ๊ะทำท่าจะคล้ายๆมลินะกลิ่นก็ละไม้กันเว้นไว้แต่หอมหวานและฉุนกว่ากลีบก็เรียวเล็กแข็งกว่ามาลิป่าเป็นคำบอกสั้นๆ น, นี่นะเหรอมลิป่าดาลินร้องเบาๆหัวรอดเสียงใสสดชื่นประคองขึ้นดมแล้วดมอีกอยู่เช่นนั้น ได้ยินแต่ชื่อเพิ่งจะเคยเห็นนี่เองน่ารักจังแต่แปลกนะกลิ่นของมันลึกลับและรุนแรงอย่างไรบอกไม่ถูกผิดกับพวกมริบ้านที่หอมสุภาพเยือกเย็นของป่าทุกชนิดก็มักจะเป็นอย่างนี้แม้แต่พวกดอกไม้ถ้าสนใจกับกลิ่นดอกไม้ป่าพรุ่งนี้ตอนใกล้ๆลุ่งเลื่อยไปจนกระทั่งแดดสายในดงนี้จะตลบอบอวนเป็นหมดด้วยกลิ่นของดอกไม้อีกชนิดหนึ่ง ไอ้น้าค้าง อ, อองหมอกอากาศในยามเช้าและแสงแดดอ่อนๆและคนไปกับเสียงนกร้องกลิ่นดอกไม้ชนิดนี้แทบจะทำให้ลืมโลกอารยธรรมหมดสิน้นคุณหญิงจะรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมคลุกคลีจำเจกับมันมาแต่ไหนแต่ไร แ, และทิ้งมันไปไม่ได้ตาวาววามของหลอนเป็นประกายดอกอะไรชาวป่าเขาเรียกกันว่าดอกปด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 อารมณ์ระลื่นของหลอนงามชวนพิษผิดกันไปเป็นตรงข้ามกับท่วงท่าอันเคยกล้าวกระด้างน่าเสียดายที่ลักษณะชนิดนี้ของหลอนจะเห็นได้นานๆครั้งเท่านั้นความจริงป่ามันมีสเสน่ห์อาถรรพ์อยู่ในตัวไม่ใช่น้อยดีเดียวนะสังเกตมานานแล้วใครก็ตามที่เคยเที่ยวป่ามาแล้วจะต้องหาโอกาสกลับไปพบกับมันให้ได้อีกครั้งแล้วครั้งเล่าแม้กระทั่งตัวฉันเองก็เหมือนกัน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 ลำบากแต่ทนได้อย่างสบายๆเดินเหนื่อยทั้งวันกินข้าวริมกองไฟนอนกับพื้นกลางดินไม่มีการอาบน้ำแปลงฟันคืบก็ป่าสอกก็ป่าพอๆกับทหารในสนามรบมาพูดรบกวนประสาททำลายคันติความมานัพยายามกันอยู่แบบนี้เพื่อประสงค์อะไรตรงข้ามควรจะช่วยให้ฉันเคยชินทรหดอดทนต่ตอภาวะเช่นนี้ขึ้นไปอีก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 พอรู้ว่าพรานใหญ่อ่านความรู้สึกของหล่อนถูกไม่กล่าวเช่นไรอีกหมุนตัวกลับช้าๆเดินตรงไปยังที่ของหล่อนซึ่งเป็นช่องว่างขนาบอยู่ในระหว่างเชตดฐาและชายยันสุดตัวนั่งรูดซิปแจ็คเก็ตขึ้นมาติดรำคอและเอ็นตัวรงนอนใช้หมวกครอบปิดหน้าไว้จอมพรานยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่อีกครู่ใหญ่ก็เดินมาที่กองไฟทางด้านปลายเท้าของคณะนายจ้าง ซึ่งมีแง่ทรายนอนคู่ตัวหนุนยามเครื่องหลังเอาผ้าของม้าห่มตัวอยู่เขากําหนดเวรยามไว้เรียบร้อยแล้วตัวเขาเองแง่ทรายได้เกิดจะผลัดกันอยู่ยามคนละสามชั่วโมงยามแรกนี้เป็นของเกิดไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนยามสองเป็นของเขาไปจนถึงตีสามและยามสุดท้ายจนถึงสว่างเป็นหน้าที่ของแง่ทรายขณะนี้เป็นยามแรกของเกิด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 จนรปินผู้เฝ้าสำรวจดูอาการอยู่ก็แทบจะไม่เห็นนอกจากจะสังเกตได้จากขนตายาวที่สั่นกระดิกน้อยๆเท่านั้นและก็คงเปิดแคบอยู่ในลักษณะเช่นนั้นดูผาดผาดเหมือนตาจะดับธรรมดาจอมพรานซ่อนยิ้มเจ้ากระเลียงผู้ลึกรับอดีตนายทหารกองโจรผู้นี้มันชาติเสือซ่อนคมร้ายกาศทีเดียวการทดสอบเพื่อพิสูจน์ดูว่า หมอนี่นอนไวขนาดไหนปรากฏชัดออกมาเป็นผลพอใจและที่อดขำรักคนหงุดหงิดไม่ได้ก็คือ ท, ท, ทั้งที่หมอรู้สึกตัวแล้วแทนที่จะลืมตาขึ้นเป็นสัญญาณให้เขารู้ชัดหมอกับทําเป็นนอนหลีตาแคบนิดเดียวทําทีประหนึ่งหลับอยู่เช่นนั้นอดีตเสือร้ายแห่งกรโจรกระเรียงกับอดีตจอมสมิงแห่งกองตารวจตะเวนชายแดนไทยย่อมทันกันอยู่เสมอ ระพินใช้ปลายรองเท้าคอมแบทสกิดเขียค่อนข้างแรงที่หัวเขาแงทร า, ายจึงสะดุ้งลืมตาโพรงเหมือนจะเพิ่งรู้สึกตัวตื่นผุดพลุขึ้นนั่งถามเร็วๆว่าผู้กองปลุกผมจอมพรานหุเราอะหึ่เท่าแล้วเท่ารอดฉันก็ยังดูแกไม่ออกแงทร า, ายแกเป็นสิ่งลึกลับพอๆกับเทือกเขาพระศิวะเขาพูดต่ำๆแล้วก็พระเดินตรงไปที่เกิดผู้นั่งมูนบุรีใบตองอยู่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 มันดังดังหายหายอยู่เป็นระยะใกล้เข้ามาทางจอมปลวกเยื้องปลายเท้าด้านซ้ายอันเป็นด้านที่เขานอนอยู่ริมสุดห่างออกไปประมาณ29่ิบานิทราลมอันกําลังจะย่างเข้าครอบคุมก็ถูกกระจัดหายไปในบัดนั้นปัสสาถูตื่นพร้อมม่านตาขยายขึ้นขณะนั้นกองไฟถูกไฟกินจนกระทั่งปลายท่อนไม้ที่ติดไฟทั้งแปดด้านของไฟรุ่งพระแยกห่างออกจากกัน มีแต่ควันกลุ่นๆและฐานหม้อดแดงเสียงเหยียบกิ่งไม้ร่านใกล้เข้ามาเป็นลำดับและในฉากความมืดทมึนอันคลุมเครือนั้นพอจะขยับตัวฝ่ามือของเชษฐาก็เขย่าเบาๆมาที่ต้นแขนของเขาหัวหน้าคณะเดินทางนอนวยเอาเรื่องทีเดียวแสดงว่ารู้สึกตัวและกำลังผิดปกติอยู่ในเสียงนั้นอยู่เหมือนกัน ท, ทั้งที่เขารู้สึกว่าเชษฐานอนหลับอยู่แท้แท พรานใหญ่บีบมือตอบเป็นความหมายว่ารู้สึกตัวแล้วพรางเอื้อมมือไปหยิบไฟฉายในขณะที่หัวหน้าคณะเดินทางคว้าไห่เฟิ่หัวนอนปลดเซฟออกถ้าจะเสือล่าจะสะกุลหนุ่มกระซิบกับเขาเ บ, าเบาที่สุดยกปืนขึ้นประทับบาทเตรียมพร้อมมองจ้องไปยังเงามือดอันเป็นที่มาของเสียงนั้นเสียงแกรกกรกแสกแกเริ่มดังขึ้นอีกในความเงียบได้ยินอย่างถนัดน่าจะเป็นหมีมากกว่าครับ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 พานใหญ่กลาดทํามไฟฉายอย่างรวดเร็วไปมาก็ไม่พบตาผู้ใดทั้งสิ้นถ้ามันจะไหวทันหลบเสียก่อนแล้วเราครับแลพินแผ่วเสียงกระซิบเช่นเดิมแล้วทั้งสองก็ค่อยๆผุดลุกขึ้นยืนพร้อมกันสืบเท้าเตรียมพร้อมออกจากบริเวณที่นอนสาดแสงไฟค้นหาไปรอบๆ อ, อึดใจนั่นเองไฟฉายอีกสี่ดวงจากมือของชัยยานดารินเกิดและงแง่สายก็สาดประสานกาดสายอยู่ไปมาสแสดงว่าทั้งสี่จับสิ่งผก ผิดปกตินี้ได้เวลาไร้เดียง ก, กันอย่างน้อยก็อาจรู้สึกตัวตอนที่เช็ฐากับระพินผุดรุกขึ้นแต่ไม่ปรากฏว่าไฟฉายดวงใดค้นพบเป้าหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากสุมทุ่มพุ่มพฤกทั้งหมดลุกขึ้นยืนเงียบๆ เ, เต็มบริเวณแคมป์พักปืนพร้อมอยู่ในมือ mm hmm. เช็ฐากับระพินย่องเดินราหน้าเข้าไปดงลวกและพงหนามท่านใดนั้นเองก็ต้องสะดุ้งขึ้นทั้งตัว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 ชายยันกับดาลินซึ่งถือไรเฟิลคุมเชิงพร้อมอยู่ในขณะนี้ก็คลายความตึงเครียดในทางประสาทลงด้วยบนกันพึมพรานใหญ่หิวหางตัวลิ้นหรือนิ่มนํามาวางไว้ให้ทุกคนเห็นชัดริมกองไฟซึ่งขณะนี้เกิดกับแง่าสายช่วยกันสุ่นเชื้อให้ติดคุกขึ้นตามเดิมทั้งหมดตาสว่างขึ้นด้วยเหตุการณ์อันชวนตื่นเต้นนั้นตอนที่มันเดินสวบสาบข้างหลังสุดใกล้กับที่เรายืนอยู่นิดเดียวตรงนั้น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 ฉันไม่ยินเสียงอะไรหรอกําลังหลับสนิทน้อยสะ ก, กิดปลุกพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นรปินถือไฟฉายแกถือปืนกําลังเดินย่องกันอยู่ที่โคนรูกนูน่นก็เลยเผ่นขึ้นแล้วน้อยล่ะน้อยนอนไม่ค่อยหลับนักหรอกค่ะรู้สึกตัวตอนพี่ใหญ่ขยับตัวลุกขึ้นก็เลยสะ ก, กิดชายยันพอดีเห็นเกิดกับแง่ทรา ย, ายตื่นขึ้นพร้อมกันหล่อนต่อพี่ชายหางเสียงนั้นแสดงอาการตื่นเต้นเล็กน้อย ดีเหมือนกันไอรินเจ้ากรรมตัวนี้มันช่วยมาเป็นสัญญาณฝึกซ้อมทดสอบประสาทของพวกเราทุกคนรู้สึกตัวกันได้ไวดีมากหัวหน้าคณะเดินทางเ อ, ออย่างพอใจว่าแต่ตัวนิ่มนี่เถอะจะทำยังไงชา ย, ยันบุ้ยปากถามปล่อยมันไปเถอะอย่าไปทำอะไรมันนะดารินรีบบอกมาโดยเร็วผมก็ตั้งใจว่าจะปล่อยมันไปเหมือนกันแต่สาหรับคืนนี้ต้องขอผูกมันไว้ที่นี่ก่อน รุ่งเช้าค่อยปล่อยมันไปคืนปล่อยมันตอนนี้มันก็ไปเดินทำเสียงแสกสากอยู่ใกล้ที่พักของเราทำให้ประสาทเสียกันอีกพรานใหญ่บอกแล้วก็สั่งเกิดให้เอาเชือกผูกตัวริ่มมัดทิ้งไว้ข้างๆกองไฟซึ่งยังขดตัวกลมซ่อนหัวไว้ภายในวงขดอยู่เช่นนั้นไอตัวชนิดนี้มันหากินกลางคืนเหรอรูปร่างก็พิกนเหมือนสัตว์สมัยโลกล้านปี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 แต่มันหนักอึ้งอ่อนเปรีย้ยหมดเรียวแรงประหนึ่งมีอะไรมายึดไว้โสดประสาทไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงร่ากิ่งของลมที่ออกจากขูของตนเองลมหายใจขัดสมองหนักถ่วงเคว้งคว้างแล้พินพยายามเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเปิดเปลือกตาอันแสนหนักขึ้นมันยากเย็นเหลือประมาณเรียกความรู้สึกรวบรวมสติสัมปชัญญะเต็มที่พอม่านตาขยายออกสิ่งแรกที่เห็นก็คือ ความมืดสนิทเหมือนป่าทั้งป่าจะถูกคลุมไปด้วยผ้าสีดำครั้นแล้วต่อมาก็ปรากฏ ด, ดวงแสงอันแดงกำประดุษสีเลือดเปล่งรัศมีสว่างวูบเรื่อเรืองขึ้นเหมือนกระสือหรือหิ่งห้อยยักษ์ดวงไฟรักรับดวงนั้นในขณะนี้รออยู่ห่างทางด้านปลายเท้าเหนือระดับพื้นดินประมาณสองเมตรเขาอ้าปากลืมตาโพรงประสาททุกส่วนเหมือนจะถูกยึดชั่วขณะไม่มีเสียงใดๆ ด, ดุดรอดําคอออกมาได้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 ถล่มป่าเสียงหัวกระสุนวิ่งแหวกอากาศผ่านสีสากของทุกคนที่นอนเรียงกันอยู่ในขณะนี้ไปอย่างวุดนวิบซึ่งเป้าหมายก็คงจะเป็นเจ้าดวงไฟลึกลับดวงนั้นนั่นเองและผู้ระเบิดกระสุนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแง่ทรา ย, ายทันทีที่กำปนาตปืนดังขึ้นไฟลึกลับดวงนั้นเปลี่ยนอาการลอยเคลื่อนที่อย่างแช่มช้าของมันซึ่งมีท่าเหมือนจะลงไปเกาะยังใครคนหนึ่งในระหว่างสามคนของคณะนายจ้าง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 แง่ทรายก็เพ่นมาจากอีกทางหนึ่งตะโกนลั่นผู้กองระวังไอ้ขอโมดดงจอมพา่านปล่อยกระสุนไรเฟื่องอย่างชนิดแข่งกับเวลาหมายไปยังวัดสมีที่เปล่งบู้ฟ้องตำแหน่งเป็นระยะนั้นพอเขาลั่นตูงแง่ทรายก็ระเบิดติดตามมาอีกอย่างสนันวันไว้มาลอยสูงขึ้นไปอีกอย่างตลีตลาดละพระหนีแต่ก็ไม่อาจจะไปได้รวดเร็วนักความเร็วของมันในการเคลื่อนที่เท่ากับการบินของหิ่งห้อยเท่านั้น ระหว่างที่เขากับแงาสายวิ่งติดตามและช่วยการระดมยิงอยู่สนันร่านตรงนี้คณะนายจ้างทั้งสและเกิดก็ถูกปลุกด้วยเสียงปืนพร้อมกันทั้งหมดพลุบขึ้นยืนแล้วกลู ก, กันออกมาอย่างเดาอะไรไม่ถูกในครั้งแรกแต่แล้วพอพ้นบริเวณผ้าพลาสติกกั้นหลังคาทุกคนก็เห็นและอ่านเหตุการณ์ออกซึ่งในครั้งนี้เองไรเฟิลทุกกระบอกก็ระดมกันแผดประสานขึ้นหูดับตักไหม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 ต่างวิ่งเข้าไปในเพิงพักนอนคว้าฝฟฉายออกมาโยนแจกจ่ายกันแล้วเปิดสวิตส่องจ้าจับดวงไฟนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความชุลมุนสับสนแข่งกับเวลาต่างระดมยิงกันจนหมดกระสุนที่บรรจุเต็มอยู่ในไรเฟิลแต่ละกระบอกแล้วรีบบรรจุใหม่นับได้ไม่ต่ำกว่า20บนัดแต่จะหยุดหรือทําลายเจ้าผีขโมดอันเป็นดวงไฟลอยวูบวูบแพร์หนีอยู่ดวงนั้นลงหาได้ไม่ทั้งๆที่มันก็ลอยในลักษณะเชื่องช้า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 เจ้าผีขโมดคงวูบวูบพระหนีไปได้เรื่อยๆเมื่อไฟฉายสาดเข้าไปที่ดวงของมันมันก็หลีแสงหายวับไปจนมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เคลื่อนไปสว่างเรืองอยู่ในตำแหน่งพ้นแสงไฟเป็นอยู่เช่นนี้ทุกครั้งล่าวกับการเล่นออเอาเถอเจ้ารออย่าเพิ่งยิงคอยช่อกันเอาไฟฉายจับไว้เชษฐาเริ่มจะได้สติจากการตื่นเต้นขีดสุดนั้นร้องตะโกนสั่งมา ขณะนี้เจ้าขโมดโดงคงกระพิพแสงเราะลัดแอบแฝงอยู่ตามยอดไม้ซึ่งไม่สูงจนเกินไปนักรู้สึกว่ามันพยายามจะหลบกำบังตนจากลูกปืนที่ระดมยิงมาราวกับหาฝนไม่ผิดอะไรกั บ, กบสัญชาตญาณธรรมดาของสัตว์ที่ถูกตามล่าแล้พินเองก็จับเคลิปย่ามมันได้ในทันทีนั้นภายหลังจากที่ตัวเขาเองกระหน่ำยิงอย่างไม่ยั้งออกไปถึงสองชุดติดๆดกันมันไปได้ไม่เร็วนักหรอกครับเท่าหญิงห้อยธรรมดาเท่านั้นเอง เขาพูดเร็วปือเต็มไปด้วยความหวังแล้วก็คงจะลอยไม่ได้สูงเกินไปนะักดับแสงหลบอยู่ได้ก็ไม่นานประเดี๋ยวก็ต้องเปล่งแสงวูบฟ้องตำแหน่งเราพอมีทางตามมันได้จนถึงที่สุดถึงยังไงมันก็ไม่พ้นสายตาไปได้เอามันให้อยู่มือชายยันตะโกนออกมาอีกด้านหนึ่งของกอร่วงซึ่งเขากับดาลินสกัดคุมเชิงกันอยู่คอยใช้ปืนสั้นยิงดักไว้เป็นระยะแบบนี้ก็มีหวังแล้วตามมันให้ถึงที่สุดเลย หัวหน้าคณะเดินทางร้องบอกระพินพรานใหญ่ก็สั่งโดยเร็วให้แง่ท า, ายได้เกิดวิ่งย้อนกลับไปที่บริเวณแคมป์ชุกข่าวขนเอาเฉพาะกระสุนตืนสำรองมาเพิ่มเติมหัวหน้าคณะเดินทางร้องสั่งไปทางชายยานกับดารินไม่ให้ยิงอีกเพราะเกรงจะเปลืองกระสุนเปล่าจุดประสงค์ของเขาซึ่งตรง ก, กันกับการติดใจการตัดสินใจของพลานใหญ่ในขณะนี้ก็คือจะคอยเฝ้าติดตามมันไปทุกระยะโดยอาศัยจากความจริงที่จับได้ว่า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 เราไม่รู้จะกะตรงไหนระพยนพึมพำอยู่ในรำคอกาดไฟฉายคอยดับไปยังตำแหน่งยอดภายนาทึบที่เห็นดวงของมันหลีดดับหายเข้าไปเมื่ออึดใจนี้เชษฐาผู้หันไปร้องสั่งการนิชัยยานและดาลินคอยอ้อมไปสกัดอยู่ด้านหนึ่งก็กระโจนเข้าเขาถึงว่าสิได้ลูกซองกระ บ, บอกเดียวท่านานรู้เรื่องกันไปแล้วเราลืมนึกถึงปืนลุกซองไปถนด ตอนที่เริ่มตามรอยไอ้แหวงอย่างน้อยให้เกิดหรือแงซายถือติดมือมาบ้างก็ดีนั่นมันหายไปไหนแล้วยังไม่ไปไหนหรอกครับหลีแสงแอบอยู่ตรงยอดไผ่บริ เ, เวณที่ผมจับไฟอยู่นี่แหละโอ้น้อนนะครับมันเปล่งแสงเรืองออกมานิดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าจะเกาะ น, นิ่งอยู่กับยอดไผ่ตรงนั้นเห็นไหมพรานใหญ่ร้องดังขึ้นในประโยคหลังพร้อมกับชี้ให้เชฐิฐาดูรัศมีจางๆที่วูบขึ้นนิดหนึ่งตรงปลายยอดอันเป็นซุ้มหนาทึบ แล้วก็มืดหายไปตามเดิมดับไฟซิรพินผมรู้สึกว่าแสงไฟฉายของเราจะลบกวนมันมากทีเดียวแล้วมันคอยจ้องจะหลบแสงไฟอยู่ถ้าเราดับไฟมืดเฉยมันอาจมีการเคลื่อนไหวเห็นชัดอีกก็ได้จอมพรานดับไฟในมือของเขาลงทันทีเชษฐาตะโกนสั่งไปทางชายยันละดาลินด้วยไฟฉายทุกดวงจึงมืดลงหมดคงมีแต่เสียงตะโกนพูดโตอตอบกันเห็นหรือเปล่า เสียงดาลินตะโกนถามมายังทางด้านโน้นละ่ะยังเหมือนกันรู้สึกว่ามันจะพยายามซ่อนแสงหลบเราชายยันป้องปากตอบมาคอยสังเกตไว้ให้ดีครับซุ้มผ่า ย, ยอดสูงที่เดิมนั่นแหละมันคงหลีแสงซ่อนตัวอยู่ได้ไม่นานนักหรอกอึจัยใหญ่ๆท่ามกลางความมืดสนิทปรา จ, จากร่องรอยอะไรทั้งสิน้นราวกับเจ้าผีขโมดอันจะตะาาราหันหายไปแล้วอย่างลึครับ สายตาทุกคนที่รายล้อมอยู่รอบก่อผายใหญ่จับนิ่งสังเกตไปยังที่หมายตำแหน่งนั้นเป็นตาเดียวครั้นแล้วแสงเรืองเืองเหมือนฐานติดไฟก็ปรากฏขึ้นยังยอดผายตรงนั้นอีกแต่ไม่เปล่งลัศมีสว่างวูบวูบเหมือนเคยมัลิบปลี่ขึ้นมาพอให้สังเกตเห็นได้รางๆงในฉากของความมืดสนิทประเดี๋ยวก็ดับหายประเดี๋ยวก็เรืองขึ้นมาอย่างเบาบางแลพินสกิดเชื้าให้ดูปรากฏการณ์รรับประหลาดนั้น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 แล้พยายามหลีดับแสงในตัวของมันเสียเพื่อหลบเสียงชายยานและดาลินตะโกนถามมาอีกเพราะทางด้านโน้นสังเกตไม่เห็นอะไรเลยเป็นมุมบางซุ้มใบไผ่อันหนาแน่นเชษฐาจึงเรียกให้ทั้งสองเข้ามาสมทบแล้วชี้ให้สังเกตทางด้านที่เขาพรานใหญ่เกิดและแง่ทรายเฝ้าสังเกตยอยู่เงียบๆก่อนแล้ว